มองคลทันยาบุรีเพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสูกการเป็นมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยายลัยเทคโนโรยีราชมองคลทันยาบุรี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 はあ。 ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอิงลิชเราอยู่อ๋ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบเอฟเอ็มความถี่ 89.5 เมกะเฮิร์ซคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนกหนาจีนสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึง่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่เก้าเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการอิงลิสต์เราอยู่ของเรานะคะนำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนฟังกันนะคะค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าเป็นห่วงนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นห่วงนะนะคะเขาใช้ยังไงนะคะ ค่ะหากเราต้องการนะคะจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นห่วงเธอเนาะนะคะเราก็สามารถพูดตรงๆนะคะได้เลยนะคะอย่างเช่นค่ะ I do care about you นะคะหรือ I care about you นะคะสองประโยคนี้นะคะหมายถึงนะคะฉันเนี่ยเป็นห่วงคุณค่ะก็คือตรงตัวตามประโยคเลยค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะอาจจะพูดว่า I'm worried about you I'm worried about you นะคะหรือจะใช้เป็นกริยาก็ได้นะคะก็คือใช้คำว่า worry เนี่ยเป็นกริยาค่ะพูดว่า I worry about you นะคะแบบแรกเนี่ยคือเราใช้ worry นะคะเป็นแบบ adjective นะคะใช้กับ verb to be นะคะ I am worried about you ซึ่งทั้งสองประโยคนี้เนี่ยสองรูปแบบนี้เนี่ยมีความหมายเดียวกันนะคะแปลว่า กังวลนะคะถ้าเรารู้สึกกังวลเกี่ยวกับคนคนนั้นเนี่ยในความหมายตรงนี้นะคะแปลว่าเราเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับคำว่า worry นะคะคือนะคะคำศัพท์คำว่า concern นะคะ concern ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ I'm concerned about you I'm concerned about you นะคะก็แปลว่าเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการบอกความเป็นห่วงแบบตรงๆนะคะว่าเป็นห่วงเธอนะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะมารับฟังกันต่อะคะ่ะว่าการที่เราจะบอกความเป็นห่วงแบบอ้อมๆเนี่ยเรามีวิธีการบอกแบบไหนกันบ้างนะคะค่ะบอกแบบแรกนะคะบอกแบบอ้อมๆนะคะ take care of yourself take care of yourself นะคะก็คือดูแลตัวเองด้วยนะนะคะ ค่ะแบบแบบที่สองแบบต่อมานะคะ be careful นะคะ be careful นะคะแปลว่าระวังตัวด้วยนะค่ะประโยคที่สามนะคะ tread carefully tread carefully แปลว่าระวังด้วยนะอย่าเจออุปสรรคละ่ะแบบต่อมานะคะ be cautious นะคะ be cautious นะคะ c a u t i o u s นะคะ be cautious แปลว่าระมัดระวังตัวด้วยละ่ะ ค่ะประโยคการบอกความห่วงใยแบบอม้อมๆนะคะอันนี้เราจะบอกว่าอย่าหักโหมให่มากนะ น, นะคะเราจะใช้ประโยคว่า go easy on yourself go easy on yourself ก็คืออย่าหักโหมให้มันมาก น, น, น ะ, ค, ะค่ะเราอาจจะบอกแบบต่อมานะคะ stay out นะคะ stay out of trouble นะคะ stay out of trouble ก็คืออยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะ ในบริบทนี้ก็คือบอกอ้อมๆนะคะว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเขานั่นเองค่ะค่ะหรืออาจจะใช้นะคะการ น, นะคะอวยพรว่า Godspeed God Godspeed นะคะแปลว่าขอให้โชคดีค่ะเราจะมักใช้อวยพรก่อนการเดินทางนะคะสะกอตคือ GODH PWD、e、นะคะ Godspeed ค่ะแบบต่อมานะคะ Don't do anything I wouldn't do Don't do anything I wouldn't do นะคะแปลว่าอย่าทำอะไรก็ตามที่ฉันไม่มีทางทำนะคะค่ะการพูดประโยคบอกขวั่งใหญ่แบบมอ้อมๆนะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าเอาตัวเองให้รอดซะก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดถึงแต่คนอื่นเลยนะคะให้นึกถึงตัวเองแล้วก็ให้ดูแลตัวเองบ้างนะคะเราก็จะใช้ประโยคง่ายๆว่า Put yourself first Put yourself first ก็คือเอาตัวเองให้รอดก่อนนะค่ะแบบต่อมานะคะบอกความเป็นห่วงแบบอ้อมๆค่ะ Take care of number oneTake care of number one สำนวนนี้นะคะแปลว่าห่วงตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนเธอนะซึ่งหมายเลขึ้นหนึ่งในบริบทของ Take care of number one ตัวนี้นะคะหมายเลขึ้นหนึ่งคือ ตัวเราเองค่ะเป็นการเรียงนำดับความสำคัญนะคะเสมือนบอกให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองบ้างนะคะคล้ายคล้ายกับ PUT YOURSELF FIRST นั่นเองค่ะค่ะประโยคต่อมานะคะอย่าทำงานหักห่วมจนเกินไปนะคะอาจจะใช้ประโยคว่า Don't work too hard Don't work too hard ก็คื อ, อย่าทำงานหักห่วมจนเกินไป ข่ามต่อมานะคะอาจจะง่ายนิดหนึ่งนะคะ stay healthy นะคะ stay healthy แปลว่าขอให้แข็งแรงนะในบริบทนี้ก็คือจงอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ stay healthy ค่ะ don't do anything silly don't do anything silly ความหมายนี้ก็คือเป็นห่วงนะคะเลยบอกว่าอย่าทำอะไรแบบบ้าๆนะหรือโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแบบต่อมานะคะ Get some me time. Get some me time. แปลว่ารู้จักมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างค่ะตรงนี้ก็คือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะที่เราบอกความห่วงใยแบบอ้อมๆนะคะ Don't let anyone bring you down. Don't let anyone bring you down. นะคะก็คืออย่าให้ใครเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกแ、yeah. ย่เราก็เอาไว้ใช้ปลอบใจได้นะคะประโยคนี้ค่ะ แบบต่อมานะคะ Go and put your feet up Go and put your feet up แปลว่าไปพักนะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายบ้างนะค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะใคล้ายๆจะปลอบใจด้วยนะคะแปลประมาณว่าฉันเนี่ยจะอยู่กับเธอตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะจะใช้ประโยคว่า I'm with you all the way I'm with you all the way ก็คือฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลาคะ่ะ แบบต่อมาค่ะ I will be there for you I will be there for you แปลว่าฉันจะอยู่ตรงนั้นกับเธอเองนะอย่าคิดว่าไม่มีใครนั่นเองค่ะตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแบบอ้อมๆนั่นเองค่ะค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะคะเราก็จะใช้ประโยคง่ายๆว่า I always be by your side I always be by your side นะคะก็คือฉันเนี่ยจะอยู่ข้างๆขางเธอเสมอค่ะค่ะและแบบสุดท้ายที่อาจจะบอกได้นะคะ I am behind you all the way I am behind you all the way ประโยคนี้นะค ะ, สะแสดงความเป็นห่วงโดยการบอกว่าฉันก็ยังสนับสนุนเธออยู่นะสูซ้ๆนั่นเองค่ะ ค่ะก็ให้คุณผู้ฟังนะคะนะคะลองนำนะคะประโยคเหล่านี้นะคะไปใช้กับคนที่เรารักดูนะคะเขาก็จะสัมผัสได้นะคะว่าเราเนี่ยมีความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่ค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.jellyenglish.in.th ค่ะ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 ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้กรรมปรึกษาด้านสมุนปล่ายด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่องยาวปลอดภัยได้มาตระฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยิบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโท025921999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 กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการอิงลิชเราอยู่อีกแล้วนะคะทางคลื่นเอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์สต์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำสำนวนสุภาสทษิตนะคะภาษาอังกฤษค่ะที่นะคะน่ารู้นะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ ประโยคนะคะหรือสำนวนสุภาษิต ท, ที่อาจจะพบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะสำนวนแรกนะคะ beauty is but skin deep beauty is but skin deep นะคะถ้าตรงกับสำนวนไทยนะคะเราก็จะให้ความหมายว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเองค่ะ Beauty is but skin deep เนี่ยแปลว่าคนที่หน้าตานะคะและบุคลิกดีแต่นิสัยใจคอนะคะไม่ได่งดงามเหมือนหน้าตาค่ะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้เปรียบเปรยกับอาหารก็ได้นะคะหรือจะเปรียบเปรยกับขนมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นขนมชนิดนี้นะคะดูแล้วน่าอร่อยมากแต่พอชิมแล้วเนี่ยหน้าตากับขนมนะหน้าตาของขนมนะคะกับรสชาติเนี่ยก็จะสวนทางกันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะสุภาสิทธิ์ต่อมานะคะ Cut your coat according to your clause อีกหนึ่งครั้งนะคะ Cut your coat according to your clause นะคะแปลว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวค่ะ ะะหมายถึงว่าเราทำอะไรเนี่ยให้พอเหมาะกับฐานะนะคะหรือความสามารถของตนค่ะเช่นถ้าเรามีรายได้น้อยนะคะแต่จำเป็นต้องใช้รถเนี่ยก็ควรจะหาซื้อรถในราคาที่สามารถผ่อนใช้ได้โดยเราเนี่ยไม่ต้องลำไปลำบากนะคะกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาค่ะค่ะสุภาษิตต่อมานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ where there's will there's way อีกหนึ่งครั้งนะคะ Where does will does will หมายถึงเมื่อลงมือกระทำการใดด้วยความพยายามแล้วนะคะสิ่งนั้นย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสุภาษิตต่อมานะคะตรงกับภาษาไทยนะคะก็คือสุภาษิตภาษาไทยคือพูดไปสองภาาไพเบี้ยนะคะนิ่งเสียตำลึงทองนะคะเราจะใช้นะคะสุภาษิตว่า speech eats silver silence eats goldens Speech is silver, silence is golden ก็คือพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำหนึ่งทองค่ะหมายถึงนะคะคำพูดบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดออกไปแล้วนะคะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตอนเองนะคะหรืออาจจะต่อผลรอบข้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยมันยังจะกอบเกิดผลลับที่ดีกว่าค่ะค่ะสุภาษิตต่อมานะคะอย่าตีตนไปก่อนไข่ค่ะ Don't bridge Don't bridge cross you come to it. ะะ cross a bridge until you come to until until it it a a ขうะ ค, ะ ค, าาค่ะหมายれึง การวิตกกังวล น, นะคะหรือแสดงอาการกลัวไปก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเช่นเราได้ข่าวว่าบริษัทเนี่ยจะทำการปรับโครงสร้างใหม่พอเจ้านายเรียกประชุมก็เครียดหนักเพราะกังวลว่าอาจจะถูกลดเงินเดือนหรือจ้างให้ออกนะคะทั้งทั้งที่เราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้านายเรียกประชุมเรื่องอะไรนะคะเป็นการมาโนเองแล้วก็เครียดเองนั่นเองค่ะ ค่ะสุภาษิตต่อมานะคะ When in Rome do as the Romans do อีกหนึ่งครั้งนะคะ When in Rome do as the Romans do นะคะตรงกับนะคะสุภาษิตภาษาไทยคือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะหมายถึงการปรับตัวนะคะปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานที่และสังคมนั้นๆอย่างมีกล้าเทศะค่ะ ค่ะสุภาษิตต่อมานะคะ Advice after mischief is like medicine after death Advice after mischief is like medicine after death นะคะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ค่ะลักษณะของสุภาษิตนี้นะคะหมายถึงการทำงานนะคะที่มีความรีรอหลังเลใจทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ย ทำได้ไม่ทันท่วงทีนั่นเองค่ะเมื่อได้อย่างหนึ่งแล้วแต่กลับต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไปและบางครั้งนะคะก็ใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ได้ค่ะ ค่ะสุภาษิตต่อมานะคะ let bygones be bygones นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะ let bygones be bygones นะคะแปลว่าสิ่งที่แล้วไปนะคะสิ่งที่แล้วไปแล้วนะคะก็ให้แล้วไปค่ะหมายถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ให้มันผ่านไปค่ะเราอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะคะเราก็ให้อภัยกันนะคะให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันค่ะค่ะสุภาษิตต่อมานะคะเกี่ยวข้องกับไก่นะคะ don't count your chickens before they are hatched don't count your chickens before they are hatched นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าอย่าไปนับไก่ก่อนที่ไก่จะฟักออกมานเองค่ะซึ่งสุภาษิตไทยเนี่ยเราจะให้ความหมายว่าอย่าหวังน้ำบ่อหน้าค่ะการที่เราเปรียบเทียบสุภาษิตนี้นะคะเป็นการเตือนนะคะว่าอย่าคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะเช่น เราเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศเราควรเตรียมสิ่งของจำเป็นไปให้ครบนะคะอย่าไปคิดว่าไปหาเอาข้างหน้าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหาไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เกิดความลำบากยุ่งยากต่อไปอีกค่ะค่ะอาทุภาสิทธิ์ที่สิบนะคะ Barking dogs seldom bike Barking dogs เซลด์ดมไบต์นะคะแปลว่าหมาเห่าใบตองแห้งค่ะหมายถึงคนที่ชอบพูดเจ้าโอร้อวดนะคะโช ว, ว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นนะคะโอวดว่าตัวเองเนี่ยเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะไม่กลัวใครค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขี้ขลาดนะคะไม่ได้กล้าหรือว่าเก่งเหมือนที่ตัวเองพูดเลยค่ะค่ะสุภาษิตต่อมานะคะ Some people cannot see the wood for the trees.Some people cannot see the wood for the trees. สำนวนไทยนี้นะคะจะหมายถึงเส้นผมบางภูเขาค่ะหมายถึงเรื่องง่ายๆนะคะหรือปัญหาง่ายๆแต่เราเนี่ยกลับคิดไม่ออกหรือมองข้ามไปค่ะมัวแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะค้นหาวิธีแก้ไขไวมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยก็แก้ไขได้ง่ายอย่างที่เราลึกไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะค่ะสุภาษิตต่อมานะคะ Never judge a book by its cover อีกหนึ่งครั้งนะคะ Never judge a book by its cover แปลว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกนะคะสำนวนนี้นะคะหมายถึงเราอย่าไปตัดสินสิ่งใดนะคะหรือบุกคคลใดเนี่ยแต่เพียงภายนอกหรือแค่รูปร่างหน้าตานะคะแต่เราเนี่ยควรตัดสินจากสิ่งที่เป็นตัวตนของคนคนนั้นนะคะ คือเหมือนกับเวลาที่เรามองหนังสือบนแผงนะคะบางเล่มก็มีปกสวยหน่าอ่านนะคะเราก็เลยสนใจนะคะคิดว่าเนื้อหาเนี่ยต้องน่าสนุกนะคะกับอีกเล่มหนึ่งนะคะที่เราเห็นเนี่ยมีปกธรรมดานะคะดูเก่าเก่านะคะเราก็มองข้ามไปค่ะคิดว่าไม่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราหยิบลงมาเปิดดูเนี่ยเราถึงจะได้รู้นะคะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสุภาษิต ท, ที่พวกเราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นสุภาษิต ท, ที่ฟังดูคุณ้นๆหูกันบ่อยครั้งอยู่แล้วนะคะอย่างไรแล้วนะคะเราสองคนก็หวังว่าเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวอร์ไวด์เว็บดอทเดลี่อังกฤษดอทไอเอ็นดอททีเอชค่ะ วันนี้รายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการเองทิงดิสราลอยู่ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระใจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่ 89.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตดิชันชนุกหน้าจีนสีดิชันพุทธนาสวัสดิโยธินเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ